สมพัสสยองสวัสดีครับสมาชิกชาวสมพัสสยองทุกคนวันนี้เรามีเรื่องเล่าที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านเป็นประสบการณ์ของคุณอาณน o n ซึ่งมีอยู่สองเรื่องด้วยกันก่อนที่เราจะมารับฟังถ้าหากเพื่อนๆนท่านใดที่มีประสบการณ์เรื่องเล่าสยองขวัญ อยากจะแบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นได้รับฟังหรือมีเรื่องใดแนะนำก็สามารถฝากเรื่องเล่าไว้ได้ที่อ e ีเมลสัมผัสสยอง at gmail com หรือส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจสัมผัสสยองตรงลายละเอียดด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับรูปปั้นในสารเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ปีสามของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตัวผมเองเป็นคนที่พบเจอเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยครั้ง แต่พยายามปิดกันสิ่งที่ตัวเองเห็นเอาไว้ไม่บอกใครมันเกิดขึ้นในช่วงที่มีประเพณีรับน้องย่อยเป็นการรับน้องตามสายรหัสของตัวเองซึ่งจะทำกันช่วงเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยวันนั้นขณะที่กำลังทำกิจกรรมรับน้องกันอยู่ผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเฉยพยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วทากิจกรรมต่อ แต่ก็ยังขนลุกอยู่เป็นระยะระยะผมเริ่มกังวลว่ากิจกรรมรับน้องที่ทำอยู่อาจจะมีบางอย่างผิดปกติจึงชวนเพื่อนรุ่นน้องไปไหว้สารพระภูมิกับสารตายายซึ่งปกติผมจะไหว้เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อพาน้องๆไปไหว้สารพระภูมิผมก็ถือโอกาสเล่าประวัติและความศักดิ์สิทธิ์ของสารพระภูมิไปด้วยถือสว่า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องไปเลยจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่สารตายายต่อระหว่างที่เดินใกล้ถึงสารตายายผมก็ได้ยินเสียงชิงตีกันดังแว่วมาตลอดทางพอเดินมาถึงสารตายายผมบอกให้น้องๆ น, นั่งลง แล้วเดินไปหยิบทูปขึ้นมาจุดขณะที่กำลังปักทูบที่สารตายายผมสังเกตเห็นว่ารูปปั้นนางรำในสารหายไปหนึ่งตัวซึ่งปกติจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวมันทำให้ผมแปลกใจมากแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้จงวังหวะที่ผมหันหลังกลับและกำลังจะเดินออกจากสารผมรู้สึกเหมือนมีคนมายืนข้างหลังชะงโงกหน้า มาแนบกับใบหน้าของผมแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะข้างๆหูเหมือนชอบใจอะไรสักอย่างแล้วก็มีเสียงชิงดังแววมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ใกล้สารผมตกใจยืนนิ่งตัวแข็งแต่พอมองเห็นน้องๆที่รออยู่เลยแข็งใจเดินเพื่อไปหาน้องๆแล้วทำกิจกรรมต่อ ระหว่างที่พักจากการทำกิจกรรมผมคาใจที่รูปปั้นนางรําหายไปจึงไปถามแม่ค้าในมหาวิถีไหลที่ขายของอยู่ไกลๆ ก, ก็ได้คำตอบว่าช่วงปิดเทอมทางมหาวิธีไหลมีพิธีรื้อสารเพื่อย้ายข้าวของในศารเดิมแล้วจัดในสารใหม่ขณะที่กำลังเอาของต่างๆมาจัดเรียงไว้เหมือนเดิมก็พบว่า รูปปั้นนางรำหายไปหนึ่งตัวช่วยกันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอมีคนอาสาจะไปซื้อรูปปั้นนางรำมาใหม่พราหม์ที่ทำพิธีย้ายสารก็บอกว่าไม่ต้องไปซื้อใหม่หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมานางรำตนนี้สุกซนเหมือนเด็กเขาอยู่กับที่คงเบือ่อเลยไปหาที่เที่ยวเล่นแถวๆนี้เพราะย้ายสารกันในช่วงปิดเทอม นอกจากป้าขายของแล้วก็มีพีงอาจารย์บางท่านแม่บ้านและรอปภที่รู้ว่ารูปปั้นนางรำหายไปป้าที่ขายของเล่าว่าแม่บ้านเคยเจอเรื่องแปลกๆอยู่เป็นประจำและมาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าตอนที่ขึ้นไปทำความสะอาดห้องเรียนในช่วงเย็นพอทำเสร็จก็ล็อกห้องแต่กลับได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านใน บางทีไฟในห้องก็เปิดปิดเองได้บางทีรถเข็นแม่บ้านที่จอดไว้อยู่ๆก็เคลื่อนที่เองทงั้งทังทีไม่มีใครเข็นเลยบางทีเมื่อมองเข้าไปภายในห้องของแม่บ้านผ่านช่องกระจกที่ประตกูก็เห็นผู้หญิงสวมชุดไทยและมีเด็กมัดจุกอยู่ในห้องด้วยนอกจากแม่บ้านก็ยังมีรอปรพอที่เจอเรื่องแปลกเหมือนกัน ตอนที่ลุงรอปภดูกล้องวงจรปิดภายในตึกก็เห็นคนนั่งอยู่ในห้องเรียนตอนนั้นก็เย็นมากแล้วเลยจะไปเรียกให้ออกมาแต่พอไปถึงห้องกลับไม่มีใครอยู่เลยผมได้ฟังแล้วก็ขนลุกแสดงว่านางรำตนนั้นยังคงเที่ยวเล่นไปทั่วคณะที่ผมเรียนซึ่งเป็นไปได้ว่าผมมีโอกาสที่จะเจอกับเธออีก ไม่วันใดก็วันหนึ่งตนกามปูเย็นผมเป็นประธานนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำกิจกรรมมากทำให้ผมต้องมาอยู่มหาลัยจนดึกดื่นทุกวันอยู่มาวันหนึ่ง ผมมีประชุมนักศึกษาเกี่ยวกับงานรับน้องใหญ่ของทางมหาวิทยาลัยกว่าจะประชุมเสร็จก็เป็นเวลาสามทุ่มเศษเศษแล้วผมคิดว่ารถเมล์สายที่จะกลับบ้านน่าจะหมดแล้วมินนำซ้ำผมยังรู้สึกอ่อนเพลียจากการประชุมที่ยาวนานไม่อยากเดินทางกลับบ้านที่ค่อนข้างไกลพอสมควร จึงพูดกับรุ่นน้องผู้ชายที่สนิทกันชื่อสุสุคืนนี้พี่หอนอนห้องเองนะซึ่งสุก็ตอบตกลงเพราะคืนนี้แฟนของสุไม่อยู่จึงสะดวกที่จะให้ผมพักหอรุ่นพี่เพื่อนและรุ่นน้องในห้องประชุมได้ยินว่าผมจะค้างใกล้ๆมหาวิทยาลัยจึงชวนไปนั่งสังสรรค์กันแม้ว่าผมจะเปรียมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ลงเพราะปฏิเสธมาหลายครั้งแล้วหลังจากที่ผมอาบน้ำในห้องของสู่เสร็จตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มผมออกไปนั่งที่ร้านอาหารใกลๆหอพักของสูบซึ่งร้านนี้จะมีต้นก้ามปูต้นใหญ่อยู่กลางร้านผมเลือกโต๊ะใกล้ๆห้องน้ำเพื่อตอนที่อยากจะเข้าจะได้สะดวก พราะกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมากันครบเราก็เริ่มสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมาทานกันผมจะไม่ดื่มเยอะจนเมาเพราะต้องตื่นเช้าไปเรียนพวกเราดื่มกันไปเพลินเพลินเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วเห็นลูกค้าโต๊ะอื่นเริ่มทยอยกลับจนเหลือแค่โต๊ะของผมพวกเราจึงคุยกันว่าสักพัก คงจะได้เวลากลับเหมือนกันพีตต้นซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผมและเพื่อนที่เป็นผู้หญิงชื่อออมทั้งสองคนนี้มีสัมผัสพิเศษชอบเห็นอะไรแปลกๆเช่นเดียวกันกันกบผมพีตต้นวางแก้วลงบนโตะ๊ะหันซ้ายหันขวาแล้วถามผมว่าร้านนี้มีคนอยู่อีกหรอวะผมได้แต่ส่ายหน้าและบอกว่า พี่เมาแล้วละ่ะจะมีใครเหรอพี่มีแค่เรากับพนักงานรอเก็บโต๊ะเรานี่แหละสักพักพี่ต้นก็พูดอีกสงสัยพนักงานมันลากเก้าอี้มัง้งเสียงดังชิบผมก็หันไปมองรอบๆแต่กลับไม่มีใครเดินเลยสักคนพนักงานภายในร้านก้มหน้าเล่นโทรศัพท์กันหมดตอนนั้นผมคิดว่าพี่ต้นคงจะเมาแล้วหูแว่วไวเอง จึงไม่คิดอะไรมาแต่ตัวผมเองก็มีความรู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ตรงกิ่งใหญ่ๆของต้นก้ามปูแล้วมองมาที่โต๊ะของพวกเราความรู้สึกที่ว่านี้มามาหายๆมันดูแปลกๆชอบกลเพราะผ่านไปได้สักพักพี่ตนก็ยังทำหน้าสงสัยอยู่แล้วบอกว่าพี่ได้ยินนะเสียงเหมือนมีคนโยนเก้าอี้ แต่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรออมก็บอกว่าแกฉันปวดหัวจะทนไม่ไหวอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างๆด้วยแล้วออมก็เริ่มร้องไห้เพื่อนผู้ชายชื่อสิงก็พูดขึ้นมาว่าไหนมีอะไรที่ไหนบ้าบอกันไปหมดแล้วประสาทกันหรือเปล่าผมเห็นสถานการณ์ชักไม่ดีเลยเรียกพนักงานมาคิดเงินแล้วบอกว่า ใครจะไปล้างหน้าหรือเข้าห้องน้ำก็รีบไปจะได้กลับกันตอนนั้นแต่และคนเริ่มสั่งเมาเพรายเห็นท่าทีของพี่ต้นและออมจึงไม่มีอารมณ์จะกินกันต่อแล้วพอจ่ายเงินให้บัณฑ์งานเสร็จผมก็เดินตามเพื่อนไปเข้าห้องน้ำด้วยระหว่างทางที่จะไปถึงห้องน้ำต้องเดินผ่านต้นก้ามปูซึ่งบนต้นจะมีหิง่งหรือนั่งร้านขนาดเล็ก ที่อยู่สูงเลยหัวของผมไปนิดหน่อยเอาไว้วางของไวยเจ้าทีเมื่อผมเห็นก็คิดว่าแปลกที่ไม่ทำสานไว้แต่กลับทำหิ้งไว้แทนแล้วผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอล้างหน้าเสร็จตอนที่กำลังเดินกลับไปที่โต๊ะก็ผ่านมาถึงต้นก้ามปูมันทำให้ผมแทบชอ็อกเพราะผมเห็นเท้าคนห้อยลงมา เป็นเท้าขนาดใหญ่ขาวซีผิวเหี่ยวยน่นเหมือนเป็นเท้าของชายแก่ๆหันเท้าไปทางต้นก้ามปูผมตกใจร้องอุทานออกมาเสียงดังพร้อมกับเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้แต่แล้วก็ต้องร้องพร้อมทั้งพงาดอีกครั้งเพราะเห็นมือเหี่ยวๆสองข้างวางอยู่บนหิ่งที่ใช้วางของไว้ผมไม่รอให้เห็นทั้งตัว รีบก้มหน้ากลับลงมาแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านต้นก้ามปูมุ่งหน้าออกไปจากร้านในใจคิดว่ากูไม่อยู่แล้ ว, ว้ยคนที่โตกไม่เห็นผมรีบร้อนออกไปก็เลยตะโกนถามว่าเฮ้ยจะไปไหนรอก่อนไวผมตะโกนกลับว่าเออเออเจอกันหน้าหอแล้วค่อยมาแก้ตัวทีหลังว่าง่วงเลยรีบกลับ พอออกมาหน้าร้านผมคิดว่าน่าจะไกลจากต้นกลามปูแล้วจึงรวบรวมความกล้าหันหลังกลับไปมองอีกครั้งแล้วก็ต้องตกใจจนเข้าแทบสุดเพราะผมเห็นขานั้นยืนบนโต๊ะที่พวกเรากินกันมันมีแต่ขาไม่มีตัวซึ่งเพื่อนคนอื่นๆไม่มีใครเห็นแล้วเพื่อนๆก็ต่างค่อยๆลุกเดินออกมาจากโต๊ะ ยกเว้นพี่ต้นกับออมที่วิ่งหน้าตาตื่นตามผมออกมาจากร้านติดๆคาดว่าทั้งสองคนก็คงจะเห็นคานั่นเหมือนกันทุกวันนี้ผมไม่กล้ากลับไปกินที่ร้านนั้นอีกเลยเพราะกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์สยองอย่างวันนั้นอีก See y'all.